พอจะได้ใจพองฟูขึ้นไปเป็นปีติได้สมใจสงบลงมาเป็นความสุขก่อนจะพูดต่อไปถึงหลักในการปฏิบัติจัดการกับความต้องการขอแทรกเรื่องน่ารู้ที่จะช่วยให้เข้าใจหรือรู้จักความสุขได้ชัดเจนมากขึ้นได้บอกแล้วว่าความสุขคือการได้สนองความต้องการ หรือความสมอยากสมปรารถนาที่จริงความสมอยากหรือการได้สนองความต้องการนั้นพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือการทำให้ความต้องการสงบระงับไปนั่นเองเหมือนอย่างระงับความกระหายด้วยการดื่มน้าหรือระงับความหิวด้วยการกินอาหารเมื่อความหิวคือความต้องการอาหารสงบไป หรือเมื่อความกระหายคือความต้องการน้ําสงบไปก็เป็นความสุขดังนั้นเมื่อพูดตามความหมายนี้ความสงบระงับไปของความต้องการนั่นเองเป็นความสุขหรือพูดในสั้นว่าความสุขคือความสงบทีนี้ในการสนองความต้องการหรือสมอยากสมปรารถนานั้น จิตใจกว่าจะมาถึงความสงบที่เป็นภาวะแห่งความสุขบางทีก็ได้ประสบหรือได้เสวยภาวะที่น่าชื่นชมยินดีมาเป็นลําดับหลายขั้นหลายอย่างโดยเฉพาะที่เด่นก็คือปีติซึ่งมักพูดเข้าคู่เข้าชุดกันว่าปีติสุขถ้าเรามองเห็นและเข้าใจภาวะจิตที่เป็นขั้นตอนต่างๆในกระบวนการสนองความต้องการนี้แล้วก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความสุข เป็นความสงบอย่างไรและความสงบนั้นมีความหมายสำคัญแค่ไหนและดีอย่างไรเริ่มที่ปีติกับสุขนี่แหละว่าไปตามหลักก่อนท่านพูดให้ง่ายว่าความปลื้มใจในการได้อารมณ์ที่ปรารถนาเป็นปีติการเสวยรสอารมณ์ที่ได้แล้วเป็นสุขเช่นคนเดินทางกันดานมาแสนเหน็ดเหนื่อย เมื่อเห็นน้ำหรือได้ยินว่ามีน้ำที่จะได้กินได้ดื่มก็เกิดปีติพอเข้าไปสู่ร่มเงาหมู่ไม้และได้ลงดื่มกินอาบน้ำนั้นก็มีความสุขเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นในคำพีอัตสาลินีท่านแสดงตัวอย่างให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนไว้เหมือนดังว่าคนผู้หนึ่งเดินทางกันดานมาแสนไกลแดดก็ร้อนจนเหงื่อโสมตัว ทั้งหิวทั้งกระหายเหลือเกินถึงจุดหนึ่งเห็นคนเดินทางสวนมาก็าถามว่าในทางที่ผ่านมามีน้ําดื่มที่ไหนบ้างไหมนายคนนั้นก็ตอบว่าโน้นดูสิข้างหน้าโน้นท่านผ่านดงนั้นไปจะมีทั้งสระน้ําใหญ่และไพรศนพอได้ฟังคําบอกแค่นั้นเขาก็ดีใจเหลือเกินร่าเริงขึ้นมาเลย เมื่อเดินต่อจากที่นั้นไปได้เห็นกลีบก้านใบและดอกบัวเป็นต้นที่ตกเกลื่อนบนพื้นดินก็ยิ่งดีใจร่าเริงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเดินต่อไปอีกก็ได้เห็นคนมีผ้าเปียกผมเปียกได้ยินเสียงไก่ป่าและนกยูงเป็นต้นแล้วใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปก็เห็นไพร่สนเขียวในบริเวณเขตสระน้ําเห็นดอกบัวที่เกิดในสระเห็นน้ําใสสะอาด เขาก็ยิ่งดีใจร่าเริงปราบปลื้มยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วในที่สุดมาถึงสระก็กระโจนหรือก้าวลงไปพอถึงน้ำได้สัมผัสก็ฉ่ำชื่นใจที่ฟูขึ้นพองออกไปก็สงบเข้าที่เขาอาบดื่มตามชอบใจระงับความกระวนกระวายหมดไปเคี้ยวกินเง่ารากใบบัวเป็นต้นจนอิ่มหนำ แล้วขึ้นจากสะมานอนลงใต้ร่มไม้เย็นสบายมีลมอ่อนๆโชยมาพูดกับตัวเองว่าสุขนอสุขหนอตามตัวอย่างที่ท่านยกมาเปรียบเทียบนี้จะเห็นว่าความดีใจปลาปลื้มร่าเริงนับตั้งแต่ชายผู้นั้นได้ยินว่ามีสระน้ำและหมู่ไม้จนกระทั่งได้เห็นน้ำนั้นคือปีติ ซึ่งเป็นอาการร่าเริงยินดีในอารมณ์ที่เป็นขั้นก่อนหน้าส่วนการที่เขาได้ลงไปอาบน้ำกินดื่มแล้วนอนรำพึงว่าสุขหนอสุขหนอที่ใต้ร่มไม้เย็นสบายมีสายลมอ่อนๆโชยมานี้คือสุขซึ่งอยู่ในตอนที่ได้เสวยรสอารมณ์ปีตินั้นมีลักษณะฟูพองพรุ่งขึ้นสู้ซาซาบซ่าน ปลาบลืม้มซึ่งก็แสนจะดีอย่างยิ่งแต่ถึงจะดีอย่างไรปีติจะค้างอยู่ไม่ได้เพราะยังไม่สมยังไม่ลุจุดหมายสุดท้ายก็ต้องมาจบลงที่ความสุขต้องดีสุดตรงที่สุขซึ่งก็คือสงบเข้าที่นั่นเองถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่สมยังจบยังสมบูรณ์ไม่ได้ จึงมาดีที่สุดตรงที่สมและสงบลงได้เรียกว่าเป็นสุขที่จริงถ้าดูให้ละเอียดแยกให้ครบยังมีภาวะจิตอีกช่วงหนึ่งอยู่ระหว่างปีติกับสุขอันนี้ก็สำคัญเมื่อกี้เรามองแต่ด้านที่จะได้สนองระ ง, งับดับความต้องการได้สมอยากสมปรารถนาคือด้านได้แต่เมื่อดูให้ละเอียดก็ดูด้านของตัวความต้องการเองด้วย ความต้องการนั้นก็มีอาการของมันเองคือความรุนเราวความเร่าร้อนความกดดันยิ่งถ้ารุนแรงก็กลายเป็นความกระวนกระวายความเครียดความกระสับกระส่ายจนถึงขั้นทุรนทุรายทีนี้ในกระบวนการสนองความต้องการนั้นเมื่อเข้ามาในขั้นตอนของการสนองที่จะได้สมปรารถนาขณะที่ปีติฟูฟ้าแรงขึ้นนั้นเอง อีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้ความกระวนกระวายเครียดเขม็งกระสับกระส่ายที่เป็นอาการของความต้องการซึ่งมีผลทั้งต่อจิตและกายได้ผ่อนคลายระงับไปหายเร่าร้อนเย็นลงราบลงกลายเป็นความเรียบรื่นภาวะนี้เรียกว่าปัจสัตธิปัจสัตธินี่แหละเป็นตัวนำโดยตรงเข้าสู่ความสุขเพราะฉะนั้น เมื่อซอยละเอียดให้ชัดท่านจึงพูดตามลำดับดังนี้ว่าปีติปัสสิทธิและสุขความต้องการฝ่ายตันหาจะมีอาการเาร่าร้อนกระวนกระวายเครียดเป็นต้นนี้ได้เต็มที่เพราะอยู่บนฐานของโมหะและอิงกับความยึดถือตัวตนแต่ความต้องการฝ่ายฉันทะมากับปัญญาเป็นปกติอยู่แล้วปัญญาจึงทาหน้าที่จัดปรับแก้ และการปัญหาเหล่านี้ไปพร้อมในตัวพอพูดถึงอาการของความต้องการก็เลยมีแง่ซับซ้อนเล็กน้อยที่ควรจะพูดไว้ประกอบความรู้ด้วยคือนอกจากการระงับความต้องการด้วยการสนองที่พูดมานั้นก็มีการระงับความต้องการด้วยการไม่สนองซึ่งเป็นการกระทำในทางตรงข้ามที่นี้เมื่อความต้องการเกิดขึ้นถ้าพยายามระงับด้วยการไม่สนองมัน ไม่ยอมตามมันโดยขัดขวางหรือขัดขืนฝืนใจกดข่มหรือบังคับก็จะยิ่งทำให้มีอาการรุนแรงเกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายทุรนทุรายมากขึ้นและอาจจะระบายหรือระเบิดออกมาทำให้เกิดทุกข์แก่ตนและเป็นภัยแก่คนอื่นมากมายแล้วในโลกนี้ ก็แก้ไขกันด้วยวิธีสร้างโทษภัยแบบตอบโต้หรือตอบแทนย้อนกลับไปและเป็นการขู่ไว้ไม่ใช่สงบจริงเมื่อมาเข้าสู่กระบวนการฝึกศึกษาพัฒนาคนการมีจิตสำนึกที่จะฝึกตนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแม้จะฝืนใจแต่ข้างดีก็มีผลที่รู้สึกว่าได้ฝึกตนขึ้นมา แล้วก็อาจจะดีใจที่ได้ทดสอบกำลังความสามารถในการฝึกตนนั้นแต่การฝึกฝนพัฒนายังมีวิธีมากกว่านี้ทั้งวิธีการทางจิตและทางปัญญาวิธีทางจิตก็เช่นการให้ฝ่ายกุศลมีกำลังเหนือกว่าอย่างง่ายๆก็เช่นให้ชันทะที่ใฟรู้ใยดีที่อยากค้นคว้าหาความรู้ แรงเข้มกว่าตันหาที่ไยมั่วไยเสพที่อยากหนีโรงเรียนไปกินเหล้ากับเพื่อนสุราบานอีกอย่างหนึ่งคือใช้วิธีแทนที่เช่นมองไปที่เงินของคุณจออยากจะขโมยเอาเสียแต่นึกถึงว่าคุณจอหาเงินมาด้วยความยากลำบากมีทุกข์มากอยู่แล้วไม่ควรไปเพิ่มทุกข์ให้เขาเกิดการุณาหรือการุณขึ้นมา ตัณหาก็แห้งหายสงบไปส่วนวิธีทางปัญญาก็เช่นว่าเขาเอาทองคํามาขายให้ในราคาแสนจะถูกก็ตาลุกอยากได้เหลือเกินแต่พอรู้ทันว่าเป็นทองเก๋ความอยากได้ก็หายวับไปหมดสิน้นสงบลงได้แต่ปัญญาอย่างนี้ควรเรียกร้อว่าเป็นปัญญาเทียมแค่รู้ทันทองเก๋ พอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีจะเป็นปัญญาแท้ก็ต้องอย่างพระสาวกที่มองเห็นความจริงว่าเงินทองเพชรนินจินดาประดาทรัพย์ไม่ใช่แก่นสารของชีวิตไม่เป็นของเราของเขาของใครจริงทำชีวิตให้ดีงามประเสริฐเป็นสุขแท้จริงไม่ได้ทั้งเราทั้งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น ถ้าจะอยู่กับมันก็ต้องใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันไม่ให้เป็นเหตุก่อโทษทุกข์ภัยเมื่อจะเปิดโล่งสู่ความเป็นอิสระเสรีมีสุขที่แท้ก็สละละได้ทั้งหมดในทันทีอย่างนี้คือปัญญาที่ทำให้ตัณหาไม่มีที่ตั้งตัวจึงสงบจริงรวมแล้วไม่ว่าจะสงบระงับด้วยการสนองความต้องการก็ตามหรือสงบระงับด้วยวิธีทางจิตทางปัญญา ให้ไม่สนองความต้องการที่ไม่ถูกไม่ดีก็ตามความสงบนั้นก็เป็นความสุขและความสุขก็คือความสงบสันติเป็นสุขสุขเป็นสันติคือสันติสุขดังความหมายที่ได้ว่ามา